กฎแห่งกรรมจะต้องตอบย้งจำไม่ ใ, ใจรักชั่วทําดีทำใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวัสดีคักรซซาดีก็เป็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรมซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนอ้ามาฟังกันเลย ลูกแต่งงานมีครอบครัวแล้วได้ทราบภายหลังว่าสามีของลูกเป็นโรคสะเก็ดเงินซึ่งเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ28ปีปัจจุบันอายุ46ในตอนแรกจะเป็นที่บริเวณศีรษะและท้ายทอยต่อมาพออายุ ม, มากขึ้นก็ลามไปทั้งตัวต้องใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขา ย, ยาตลอดอาการของโรคจะเป็นผื่นบวมแดงใหญ่บ้างเล็กบ้างบนแผลมีสะเก็ดเคลือบอยู่ แล้วจะหลุดร่อนเวลาถูกเสียสีจากเสื้อผ้าบางครั้งครันนพอกำมามากก็จะมีเลือดออกมาติดตามเสื้อผ้าลูกต้องดูแลทุกอย่างแม้ผมก็ต้องจัดให้เวลาจะออกนอกบ้านบางครั้งถ้าเป็นมากก็ไปไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นต้องไปจริงๆลูกจะต้องทาแป้งรองพื้นบริเวณใบหน้าและบนศรีรษะลูกจะเครียดและวิตกกังวลตลอดเวลาจากโรคติดสามีเป็น ซึ่งดูเหมือนลูกจะกลุ่มใจและเดือดร้อนมากกว่าคนที่เป็นเสีย อ, อีกแล้วเป็นจะเป็นห่วงว่าลูกทั้งสามคนจะเป็นอย่างคุณพ่อของเขาคเคยไปรักษาที่สถาบันโรคผิวหนังและไปรักษาทุกๆ ท, ที่ที่เขาว่าดีอย่างต่อนเนื่องกันตลอดเวลาในเบื้องต้นที่จะไปรักษาอากา ร, าการจะดีขึ้นตามลําดับแต่พอไปสักระยะหนึ่งอาการก็จะทรงและกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งโรคนี้คุณแม่ของสามีก็เป็นด้วย แต่ว่าเป็นน้อยกว่าและบางครั้งแผลก็ยุบหายไปเองตอนที่หายนั้นจะไม่เป็นแผลเป็นเลยผิวก็เหมือนคนปกติซึ่งอาการของคุณแม่นั้นจะเป็นเป็นหายหายแต่สามีของลูกนั้นตั้งแต่เป็นยังไม่เคยหายเลยลูกคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งสามีของลูกจะหายจากโรคสะเก็ดเงินนี้เมื่อลูกอายุได้สิกปีเตี่ยของลูก ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดป่วยได้สองเดือนกว่าจึงเสียชีวิตด้วยความทรมานมา ก, กรวมอายุได้ห้าปีเตียสูบบริจาควันละสองซองกว่าจืนเช้ามายังไม่เด็บแปลงฟันเลยก็เริ่มสูบแล้วจนกระทั่งเขานอนปกติท่านเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยจะเจ็บป่วยเท่าไหร่เรื่องบุญท่านไม่ค่อยจะได้ทำเท่าที่ควรมีความเชื่อแบบคนจีนทั่วไป ในวันตรุ จ, จีนศาสตร์จีนเตียจะไปนคนค่าเป็ดไก่เพื่อเซ่นไหว้บันพบรุษหว้เจ้าเตียของสามีเสียชีวิตไปแล้วประมาณ10ปีด้วยโรคสมองฝ่อในช่วงสองปีหลังก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านจำใครไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กๆและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลทุกครั้งที่ทาบุญลูกก็ทิศบุญให้เตียของลูกและเตียของสามีตลอดทุกบุญ ปัจจุบันคุแม่คุณลูกป่วยเป็นโรคอัมาพาตทางด้านซีกซ้ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเป็นเวลาสองปีแล้วแม่มาอยู่ที่บ้านลูกบางครั้งแม่จะแสบตาคันตากลางคืนนอนไม่หลับแล้วจะร้องไห้เสียใจที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะแม่กเกรงใจที่จะเป็นภาระของลูกหลานแม่เป็นคนจีนที่ชอบทําบุญชวนทําบุญอะไรท่านก็จะทําทุกอย่างจะมีความเชื่อทั้งแบบ จีนและไทยปนกันไปสมัยก่อนฟังรายการฝันิฝันจากอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นดาวเทียมแล้วเสียงและภาพชัดมากทำให้ท่านสนใจฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อขึ้นและคุณแม่บอกว่าถ้าหายป่วยจะมาทำบุญที่วัดด้วยตนเองลูกเป็นลูกคนสุดท้องคนที่แปดของครอบครัวตอนนี้คุณแม่ตั้งท้องลูกแม่อายุ36ปีเตียกับคุณแม่ได้ทาแท้ง แต่ลูกไม่ตายคุณแม่จึงเปลี่ยนใจต่อมาลูกอายุได้ประมาณแปดขวบจึงรู้ความจริงว่าคุณแม่ได้ทำแท้งลูกซึ่งคุณแม่ได้บอกว่าไม่อยากจะทำเลยแต่เพราะมีลูกมากแล้วแม่ลำบากต้องรับภาระหลายอย่างในครอบครัวแต่ตัวลูกไม่เคยคิดโกรธแม่เลยเพราะที่ผ่านมานั้นแม่รักลูกมากและเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีตัวลูกเองมีการปวดศีะบ่อยมากซึ่งหมอบอกว่า เป็นโรคยีสซินโดรมจะทานอาหารจะพวกแป้งของหวานและของหมักดองไม่ได้ถ้าทานเข้าไปจะมีอาการมึนศิษะเหมือนคนเมาซึ่งหมอบางท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นโรคนี้แต่เป็นเพราะเกิดจากความเครียดจากงานที่ต้องใช้ความคิดมากกว่าเราเดบุริษสัยลูกเป็นคนที่ช่างคิดบ้านที่อยู่ในปัจจุบันลูกก็เป็นคนคิดออกแบบเอง oh. คาถามก็คือ คุณแม่ของสามีและสามีของลูกทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็นโรคสะเก็ดเงินและทั้งสองคนจะมีโอกาสหายขาดจากโรคที่เป็นนี้หรือไม่และควรจะทำบุญอะไรคะลูกเคยทำกรรมอะไรร่วมกับสามีมาคะถึงต้องมาดูแลเขาแล้วต้องทุกข์ทรมานมากกว่าคนที่เป็นเองอีกเตียงลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านทำกรรมอะไรมาถึงเป็นโรคบะเร็งปอดและบนที่ลูกทำบุทิศไปให้ท่านจะได้รับไหมคะ เด็กสามีตายแล้วไปอยู่ไหนท่านทำกรรมอะไรมาถึงมีโรคสมองฟอและบุญทีู่กรลสามีอยู่ทิดไปให้ท่านได้รับไหมคะคุณแม่ของลูกทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็น อ, มอัมพาตจะมีโอกาสหายไหมคะและต้องทำบุญอะไรเป็นพิเศษหรือไม่คะลูกทำกรรมอะไรมาทำไมคุณแม่ของลูกจึงคิดทาแทงและต่อมาเปลี่ยนใจคะลูกป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่และทาไมจึงเป็นคนวิตกกังวลและคิดมากคะ ลูกสาวทั้งสามคนจะมีโอกาสไปโลกสเก็ตเงินอย่างคุณพ่อเขาไหมคะก็คำถามเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองโอ้มื่นเลยอะเรามาฝันในฝันกันหลับตาฝันไปเป็นตุเป็นตะฝันพอตื่นอยากฝันก็เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นนิยายประลำปรลา ฟังเพิ่นๆอย่าไปคิดอะไรกันมากเพราะนี่เป็นรายการโรงเรียนอานุบาลฝันในฝันวิทยาก็เราให้นักเรียนอนุบาลฟังนะจ๊ะคุณแม่ของสามีและสามีเป็นโรคสะเก็ดเงินเพราะรวยมากเลยหรือมีเงินเยอะ หรืออะไรนะเพราะวจีกรรมนี่ต่างจากพนางโรฮินีนะจ๊ะพนางโรฮินีเนี่ยไปโปรโยหมามุย้ยแล้วจะเห็นว่าเราผิวหนังนี่มันมาจากหลายทางแล้วทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นแหละถึงมามีผลอย่างนี้แต่เราเนี่ยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ว่าไอ้ผลที่มาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไปประกอบเหตุอะไร ที่เป็นต้นเหตุหรือประกอบเหตุอะไรเราจึงมาเป็นอย่างนี้หรือเราประกอบเหตุอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นอะไรนี่เราไม่รู้นะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าทราบกรรมในอดีตทั้งทั้งสองคือคุณแม่ของสามีและสามีของลูกได้เกิดเป็นแม่ลูกกันในตระกูลที่มีฐานะปานกลางซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้เจอหมู่คณะคือยังเป็นช่วงแรกๆ ที่ยังไม่ได้เจอหมู่คณนนะทั้งสองมักมีอคติต่อพระและชอบพูดจาติเตียนผู้อื่นโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยให้เสียหายหรือบางทีพูดให้เขาเจ็บเจ็บคันคั น, นพูดเหมือนเอาหมามุยออกจากปากแล้วไปถูกกระดองใจเขาให้ใจเขาคันคันเล่น หรือนินทาว่าร้ายทำให้เขาเสียหายรับหลังนินทารับหลังถ้าพูดถึงพระเช่นพูดว่าพระสงฆนะ์วันๆก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเอาแต่ขอคนอื่นกินเหมือนเพลี้ยที่กัดกินต้นไม้อย่างนี้เอาเปรียบสังคมเป็นต้นส่วนคนแม่นะก็จะเออออห่หมกเห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงมีส่วนแห่งกรรมนี้ มีส่วนคือท่านกับเป็นแต่เป็นแล้วหายเป็นป็นไ ห, หายแต่ลูกเป็นเป็นและยังไม่หายให้นิ ม, มนต์คณะสงฆ์มาถวายสังฆทานนะลูกนะและขอคามาคณะสงฆ์รวมทั้งต้องพูดปิยวาจาพูดคำจริงมีประโยชน์พูดเด็กเขาสมัคคีกันพูดจาไพเราะ ไม่ว่าร้ายตีเตียนใครคืนหนามย่อให้เอาหนามหมงเมื่อมันเกิดขึ้นเด ว, เวิจีกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็ต้องแก้เด ว, เวิจีกรรมที่เป็นกุศลไม่ว่าร้ายตีเตียนใครมันสวดมนต์ไหวพระรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าซึ่งลูกก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าให้เพิ่มไปขอขอมาคณะสงฆ์เท่านั้นแหละ นิมนต์คณะสงฆ์มาวัดไหนก็ได้แถวแถวบ้านนั่นแหละไปนิมนต์ทั้งวัดเลยแล้วก็กราบคำขอเข้ามาท่านซึ่งท่านจะเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ที่ลูกเคยไปกราบร่วงเกินเอาไว้นั่นแหละชาตินั้นตัวลูกเองคือผู้สงเคสซาดีมาเนี่ยก็เป็นภรรยาของเขาจา้าซึ่งตัวลูกเองก็ไม่ได้เห็นด้วยในการกระทาของสามี แต่ก็ไม่ได้ห้ามปาลามลูกจึงไม่เป็นโรคนี้ที่เป็นห่วงและกังวลมากเพราะเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติแล้วก็ปกติก็เป็นคนขี้วิตกกังวลในหลายๆเรื่องเนะ่ยเรื่องเกี่ยวกับผู้ครองเรือนนั่นแหละที่จริงแล้วเนี่ยลูกคุณจะปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางได้ก็จะหายทุกข์ใจแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไป ก็จะดีขึ้นจ้าเตียของลูกเป็นเบร็งที่ปลอดตายเพราะกรรมปัจจุบันที่สูบบุรี่มากสูบบุรีจัดเป็นหลักแต่ที่อายุสั้นเพราะกรรมค่าสัตวร์ ร, รมอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันจึงทำให้เจ็บปวดทรมานเป็นพิเศษตายใหม่ๆได้ถูกเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยอมวโลกเพื่อพิจารณาบุญบาป และได้ถูกพิพากษาให้โดนลงโทษในยมโลกก่อนโดยการถูกเขี่ยนถูกแทงบุรียักตายฟื้นตายฟื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากต่อมาได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงพ้นโทษและกำลังรออยู่ในสาราที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เาเตียงสามีเป็นโลกสมองอ่อเพราะอดีตชาติเป็นพ่อค้าเมื่อขายของมักชอบโกหก แบบคนค้าขายทุกรูปแบบสิ่งของถูกก็ว่าของแพงของจากเมืองใกล้ก็ว่ามาจากเมืองไกลยอย่างนี้เป็นต้นคือโกหกหลายๆรูปแบบนี้ยกตัวอย่างมาเท่านั้นทำซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับกา ร, รปัจจุบันที่ชอบทุบหัวะลาทำอาหารและจ้ะตายแล้วใหม่ๆก็ไปเป็นสัมภเวสีล่อนเลสแสวงหาที่เกิดต่อมาเมื่อได้รับบุญท่ลูกทิดไปให้ ก็ทําให้กายของท่านสว่างขึ้นในระดับภูมิเทวาให้ตอนนี้ท่านไปเป็นภูมิเทวานะจ๊ะให้ทบุญไปให้เรื่อยๆท่านก็จะมีสภาพดีขึ้นไปกว่านี้อีกจ้าคุณแม่ของลูกเป็นอมภารเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทรอมหารทั้งอดีตและปัจจุบันจ้ะเป็นการกระทําที่ต่อนเนื่องต่อนเนื่องมาเลยนะจะหา ย, ยากสักหน่อย ให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วชวนท่านทำทุกบุญแล้วทิศส่งนกสนไปให้คู่กรรมบ่อยๆสัตว์ที่ทัางค่าเอาไว้นั่นแหละหนักก็จะเป็นเบาจ้ะแล้วตัวโลกแลวคุณแม่ก็จะได้บุญมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณแม่ก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ในชาติต่อไปแต่ชาตินี้วกงหา ย, ายากสักนิดนะลุงนะต้องทำใจให้ท่านสั่งสมบุญไปให้เยอะๆที่ลูกโดนคุณแม่ทาแทง แต่ไม่ตายเพราะกาแน่ดดีเมื่อลูกได้ตั้งท้องโดยที่ทําไม่ได้ตั้งตัวนะ่จึงคิดที่จะเอาลูกออกแต่ว่ามาเปลี่ยนใจในภายหลังกรอบกระบุลที่ลูกได้ทำมากระหมูคณนะในพบกันก่อนทำมาตลอดจึงทำให้คุณแม่แม่ตั้งใจจะทำแท้งลูกแท้งตัวลูกแต่ก็ไม่สำเร็จ ละบุญคุ้มครองและเปลี่ยนใจไปทำแท้งในภายหลังจ้าโรคของลูกเกิดจากความคิดวิตกรณงบุในหลายๆเรื่องให้ปล่อยวางบ้างใจก็จะได้สบายหายคเครียดลมทั้งลูกต้องทำอย่างนี้คือปัญหามีก็แก้กันไปงานมีก็ทำไปบุญมีก็สร้างไปสมาธิก็นั่งไป ใจก็จะได้ใสใสหายวิตกกองบนจากโรคนี้นะจ๊ะนี่คือเคสตีดีย่อๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ